วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดคุณเ่อยประโยชน์แก่ชีวิตของตนความจริงที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับชีวิตของเรานี่คืออะไรก็คือกฎกติกา ของชีวิตของพวกเรานี่พวกเราทุกคนนี้อยู่ใต้อยู่ภายใต้กฎกติกาสองกฎด้วยกันทำไมเราถึงมีกฎกติกาสองกฎที่จะให้คุณให้โทษกับเราให้สุขให้ทุกข์กับเราเพราะว่าชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน ก็คือมีร่างกายและมีใจร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอย่างกันจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกติกาอันเดียวกันร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎกติกาของกฎแห่งใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่เป็นภาวะทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนนี่คือกฎของตายรักที่กํากับดูแลร่างกาย ถ้าสิ่งต่างๆที่ร่างกายได้มาครอบครองเช่นโลกธรรมทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆโลกธรรมทั้งสี่นี้ก็อยู่ภายใต้กฎของตรัยรักเช่นเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงมีเกิด ก็มีเส like ื่อมเป็นธรรมดามีกอดก็มีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเช่นมีลาบก็เสื่อมลาบเป็นธรรมดามียศก็เสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงเกิดนรสโภถภาก็จะมีทุกจากรูปเสียงเกิดนรสโภพภาเป็นธรรมดา เพรานี้เป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมีการเกิดมีการดับเสมอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร ที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอไปนี่คือกฎกติกาที่จะมากํากับดูแลส่วนของร่างกายและส่วนต่างๆที่ร่างกายแสวงหาหรือได้มาครอบครองเป็นสมบัติคือโลกธรรมทั้งสี่ลาบเยอะ คือเงินทองยศคือตำแหน่งต่างๆจันละเขินก็คือการยกย่องแล้วก็ความสุขที่ได้จากการเสืบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะโลกธรรมทั้งสี่นี้มีการขึ้นมีการลงอยู่เรื่อยๆเมื่อเกิดการขึ้นเกิดเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาก็เลยทำให้เป็นเป็นทุกข์ขึ้นมา เป็นทุกข์แก่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือใจนี่ใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายมาเกี่ยวข้องกับโลกธรรมทั้งสี่คือราบยศสรรเสริญลาบความสุขจากมูขเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะต้องพบกับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เนื่องจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีมามีไปมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีได้มีเสียเวลาได้ก็ดีใจกันเวลาเสียก็เศร้าโศกเสียใจกนนันนี่คือกฎของตายรักที่ร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กจะฉลาดหรืองโง่ ตกอยู่ภายใต้ภาวะอันเดียวกันทุกคนโลกธรรมของทุกคนก็ตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันมีเจริญมีเสื่อมมียศก็มีการเสื่อมยศได้มีสมรรเสริญก็มีการนินทาได้มีสุขที่ได้จากรูปเสียงเกินดนสดก็มีทุกข์ที่จะเกิดจากรูปเสียงเกิดนสดได้เหมือนกันทุกคนไม่ยกเว้น เพราะนี่คือกฎกติกาของชีวิตของร่างกายและของทรัพย์สินสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นโล ก, กธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ประกอบด้วยธาตุสี่นึกเป็นธาตุสี่มีธาตุดินธาตุน้านําธาตุนมธาตุไฟถ้าธาตุทั้งสี่นี้มารวมกันก็จะปรากฏเป็น ร่างกายของมนุษย์บ้างร่างกายของสัตว์เลรย้ยลาชางบ้างหรือเป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนทำมาจากธาตุสี่ด้วยกันส่วนธาตุบางอย่างก็เป็นธาตุที่ไม่ได้รวมกันเช่นธาตุน้ำน้าในแม่น้ำลำคลองนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำล้วนๆดินที่ไม่ได้ไปผสมกับอะไรก็เป็นดินล้วนๆ แล้วก็ลมก็เป็นอากาศที่เราหายใจอยู่<ม>ก็เป็นอากาศร่วนๆเป็นลมร่วนๆและไฟธาตุไฟก็คือความรู้ความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เป็นต้นนี่คือธาตุทั้งสี่ที่มีการผสมปรุงแต่งมีการพบปะเจอกัน <c oughs> แล้วก็ทําให้เกิด เป็นต้นไม้บ้างเป็นร่างกายของสัตว์ของมนุษย์บ้างแล้วก็เป็นการรวมตัวแบบชั่วคราวรวมตัวกันได้ระยะหนึ่งก็ต้องมีการแยกออกจากกันไปเช่นร่างกายของมนุษย์นี้ก็มีการรวมตัวกันในขณะที่มีการผสมพันธ์ระหว่างธาตุสีของพ่อกับธาตุสีของแม่ เมื่อมารวมตัวกันก็จะเกิดการปฏิสนธิเมื่อมีธาตุอีกธาตุหนึ่งที่เรียกว่าธาตุรู้คือใจมาร่วมมาร่วมทามาร่วมทากิจกรรมอันนี้คือสร้างร่างกายอันใหม่ก็จะมีการปฏิสนธิมีการตั้งขันขึ้นมาในร่างกายขอ ง, ของแม่แล้วก็อาศัยธาตุสีที่แม่เอาเข้าไป สู่ร่างกายแล้วก็เอามาเลี้ยงทารกที่ในร่างกายให้ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาให้มีอวัยวะต่างๆขึ้นมาทีละชิ้นทีละอันให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีผังผืดมีไต มีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะมีน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหง่าน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเป็นอาการสามสบสองที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายของมนุษย์สัตว์ แต้พอร่างกายนี้เจริญเติบโตเต็มที่ก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เริ่มเอาธาตุสีเข้าไปด้วยด้วยตนเองอออกมาสิ่งแรกที่ทารกต้องทำก็คือเอาธาตุลมเข้าไปต้องหายใจต้องเอาลมหายใจเข้าไปตามด้วยเอาธาตุน้ำธาตุดินที่พ่อแม่เอามาเลี้ยงลูกเช่นนม น้ำนมนี่ก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำผสมอยู่หรือธาตุน้ำอย่างเดียวก็ดื่มน้ำให้ดื่มน้ำเปล่าก็เป็นการเติมธาตุเข้าสู่ร่างกายของเด็กที่คลอดออกมาแล้วก็เริ่มเติมเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นรับประทานอาหารได้มากขึ้นดื่มอะไรได้มากขึ้นร่างกายก็ค่อยๆจเจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาเรื่อยๆ เจริเติบโตจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเจรินเติบโตเต็มที่ถึงวัยกลางคนก็จะถึงจุดสูงสุดของความเจริญของร่างกายหลังจากนั้นร่างกายก็จะเริ่มนับถอยหลังเริ่ม ม, ม, คคคา ม, มาีความเสื่อมค่อยๆตามมาเทียรเล็กเทียน้อยความเสื่อมก็ปรากฏขึ้นในรูปของความชรานี่เองคนที่ โตเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะเข้าสู่วัยชราเป็นคนแก่ชละเล็กเทียน้อย<ม>แล้วก็เริ่มมีความบกพร่องทางร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาจนในที่สุดเมื่อไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้ร่างกายก็หยุดหายใจหยุดการเอาธาตุลมเข้าสู่ร่างกาย พอไม่มีธาตุลมแล้วร่างกายก็หยุดทำงานทีนี้ธาตุที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะค่อยๆแยกตัวออกจากกันธาตุลมที่อยู่ในร่างกายก็จะระเหยออกมาตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนก็จะออกจากร่างกายร่างกายของคนตายนี่ถ้าไปจับดูจะรู้ว่ามันมันเย็นมันไม่ได้มีความอบุ่นอุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็น เพราะว่าธาตุไฟได้ออกจากร่างกายไปแล้วก็าตุทิไงไว้ต่อไปก็จะมีธาตุน้ำไหลยแยกออกจากธาตุดินที่อยู่ในร่างกายจนร่างกายแห้งกรอบขุพังกายเป็นดินไปนี่ก็คือกฎอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายมีการรวมตัวของธาตุสี่ แล้ววันหนึ่งก็จะต้องมีการแยกตัวของธาตุสี่ออกไปส่วนใจคือธาตุรู้นี่เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายเพื่อใช้ร่างกายทําในสิ่งที่ที่ใจต้องการคือใจนี้มีความต้องการที่จะหาความสุขจากโลกธรรมนี่เองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญและ ความสุขจากการได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดพาบเช่นได้ดูได้ได้ดูสิ่งที่อยากจะดูได้ฟังในสิ่งที่อยากจะได้อยากฟังในลิ้มรส ด, ดมกลิ่นในสิ่งที่อยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสัมผัสที่อยากจะให้สัมผัสก็ทำให้เกิดความสุขใจเป็นเหมือนยาเสพติดของใจใจติดการเสบรูปเสียงกลิ่นรส ติดราบยศสรรเสริญการที่ใจจะสามารถเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเสรบราบยศสรรเสริญได้ใจก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องใจนี้เป็นเป็นดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์ที่บางขณะก็จะาอยู่ใน ในสภาพที่เป็นสุขคืออยู่ในโลกทิพย์ที่เรียกว่าสุกติเป็นสวรรค์เป็นอะไรต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะอำนาจของบุญที่ได้ทำไว้ส่วนบางเวลาบางโอกาสก็อาจจะไปอยู่ในอบายอยู่ในอยู่ในทีของโลกทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์ด้วยอำนาจของบาปที่ได้ทำไว้ ในขณะที่มาเป็นมนุษย์มเกิดเป็นมนุษย์แล้วพอพ้นจากอิทธิพลของบุญหรือบาปก็จะมารอรับร่างกายของพ่อแม่คนใหม่พอได้ร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ก็จะใช้ร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ที่ให้มานี้มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสมาเสบราบยศ ส, สรรสิญต่อไป ก็จะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของของดวงวิญญาณของธาตุรู้นี้ไปเรื่อยๆธาตุรู้นี้เป็นธาตุที่ไม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสีวันหนึ่งก็ต้องแยกออกจากกันแต่ส่วนธาตุรู้นี้ไม่ได้ทำด้วยอะไรธาตุรู้นี้เป็นธาตุร้วนเป็นธาตุรู้จึงไม่มีการแยกไม่มีการดับไม่มีการสลายธาตุรู้เพียงแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตามอำนาจของกฎอีกการหนึ่งกฎที่เราเรียกว่ากฎที่กากับดูแลใจของพวกเราใจของพวกเราก็คือธาตุรู้หรือดวงวิญญาณนี้ธาตุรู้หรือใจหรือดวงวิญญาณนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกรรมก็คืออะไรกรรมก็คือการกระทาของใจนี้เองใจนี้สามารถทาสิ่งทำได้สามแบบด้วยกัน ทำดีหรือทำบุญทำไม่ดีหรือทำบาปแล้วก็ทำที่เป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปและการกระทำของใจนี้ก็จะส่งให้เกิดผลต่อใจผู้กระทำเช่นถ้าใจทำบุญใจก็จะมีความสุขแล้วใจก็จ ะ, จะเจริญขึ้นตามลำดับ เพราะใจนี้สามารถเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของใจกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎที่ใจนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนจากการทำบาปมาเปลี่ยนมาทำบุญได้เปลี่ยนจากทำให้ใจเสื่อมมาทำให้ใจเจริญได้หรือในทางตรง ก, กันข้ามอาจจะเปลี่ยนจากการทำบุญมาทำบาปก็ได้ เปลนจากการสร้างความเจริญให้กับใจมาสร้างความเสริมให้กับใจก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของใจแต่ละดวงของวิญญาณแต่ละดวงอันนี้คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้กํากับดูแลใจหรือธาตุรู้หรือดวงวิญญาณส่วนกฎแห่งตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้กํากับดูแลที่ ร่างกายกับทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆที่ร่างกายได้มาครอบครองส่วนตัวที่มาเชื่อมตัวที่มาเชื่อมร่างกายกับใจที่เกี่ยวข้องกันก็คือตัวทุกข์ตัวทุกข์ในตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวทุกข์นิมไม่ใช่ตัวผู้ที่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ ทุกไม่ใช่ลาบยศสารเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสผดฉาพสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นทุกข์เวลาเขาเจริญหรือเขาเสื่อมนี้เขาไม่ได้ทุกข์เวลาร่างกายเจริญหรือเสื่อมนี้เขาร่างกายไม่ได้สุขหรือไม่ได้ทุกข์ตามความเจริญหรือตามความเสื่อมผู้ที่มาทุกข์มามาสุขตามความเจริญตามความเสื่อมของร่างกาย และของโลกธระททั้งสี่คือใจใจผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่องอันนี้เป็นตัวทุกนี้ทุกในตายรักนี้ก็คือทุกที่เกิดขึ้นที่ใจใจทําอะไรถึงทําให้ใจทุกใจทุกเพราะใจเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดตันหาความอยากขึ้นมา ตัวกิเดสตัณหาโมหะอวิชชานี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นตัวที่พาให้ใจต้องมาเกิดอยู่เรื่อยต้องมามาครอบครองมามีร่างกายอยู่เรื่อยเพราะความอยากของใจความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าการมาตัณหา ความอยากมีอยากเป็นก็คือภาวะตัณหาอยากอยากให้อยากให้ได้ราบยศสรรเสริญสุขที่เจริญไปเรื่อยเรียนี่กภาวะตัณหาอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้มีคนยกย่องสรรเสริญอยากได้รางวีรางวัลอะไรต่างๆอยากมีความสุขอยากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาชนิดต่างๆเรียกว่าภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญและความสุขที่ได้มาเสื่อมไปนั่นเองไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเพราะเวลาเกิดความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกิเลสก็จะทำให้ใจทุกข์ น, นี่คือกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่พาให้ใจต้องมาครอบของมายุติ ร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายที่มีอยู่ในขณะนี้ตายไปดวงจิตนี้ก็จะแยกออกจากร่างกายที่ตายไปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะมีกำลังที่จะดึงให้ใจไปอยู่ในอบายถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาถ้ายังเป็นดวงวิญญาณอยู่ก็จะเป็นดวงวิญญาณสามชนิดด้วยกันคือดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เรียกว่าอสูรลกายดวงวิญญาณที่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านรกบาปที่ทานี่แหละเป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณ นี้กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปเป็นนสุรกายเป็นนรกถ้าทําบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ามีโทษตามมาก็จะไปเป็นเดรัจฉานเช่นพวกที่ทํามหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่าเป็นความจําเป็นในการดารงชีพถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายเขาก็เลยต้องฆ่า เขาไม่รู้ว่าการฆ่านี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอันใดก็ตามย่อมมีวิบากกรรมตามมาถ้าฆ่าด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาลด้วยด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปถ้าฆารักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุ ร, รกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาคาดพยาบ า, โาทโคอเครียดแค้น <c oughs> ก็จะไปเป็นนรกเป็นดวงวิญญาณที่ถูกไฟนรกคอยเาผาผลาญอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แต่บาปนี้ก็มีเวลาที่มันหมดได้หมดกำลังพอบาปมันหมดอิทธิพลที่จะทำให้ใจทุกข์อยู่ในาบาลมันก็จะปล่อยให้ใจมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ <c oughs> แต่ผู้ที่มาจากอบายมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มักจะเป็นผู้ที่มาเกิดแบบอาภัพวาสนาเกิดมายากจนบ้างเกิดมาร่างกายไม่สมประกอบบ้างเกิดมาร่างกายไม่สวยไม่งามบ้างเกิดมาด้วยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆเกิดมาแล้วอายุสั้นเกิดมาแล้วยากจนไม่ฉลาดเป็นต้น นี่คืออ น, นิสงส์ที่ยังจะติดมากับผู้ที่กระทำบาปแล้วไปรับผลบาปในอบายพอบาปไม่มีกำลังที่จะดึงให้อยู่ในอบายก็จะปล่อยให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาะในทางตรงกันข้ามผู้ที่ทำบุญมากกว่าได้ทำบาปอิทธิพลของบุญก็จะส่งให้ดวงวิญญาณนี้ ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพก็มีอยู่หกชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นพรหมก็มีอยู่สองระดับระดับรูก ป, ประพรมและอรูปประพรมและสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานสวรรค์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายอันนี้ก็เกิดจากการทําความดีทําบุญต่างๆบุญก็มีหลายชนิดด้วยกันบุญที่เกิดจากการทําทานทําทานก็จะส่งให้ไปเกิด ในสวรรค์ชั้นเทพหกชั้นถ้าทำบุญด้วยการฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าเข้ารูปประชานได้ก็ไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประพมถ้าเข้าสมาธิในระดับอ ร, รูปประชานได้ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นอรูปประพมแล้วถ้าไม่มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือมีปัญญาในตนเองที่สามารถ เห็นอริยสัจสี 4, เห็นกฎของตายรักได้และสามารถที่จะตัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจได้ก็จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ของพระอริยบุคคลสีระดับด้วยกันือระดับโสดาบันระดับสกิราคามีระดับอนาคามีและระดับพระอาหารหันต์ถ้าไปถึงระดับพระอาหารหันต์ก็จะไปถึงพระนิพพาน พระนิพพานนี้ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่จะให้ความสุขเต็มเล่เต็มร้อยจนทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากโลกกะระทำอีกต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่ก็คือกฎแห่งกรรมคือการกะระทากฎของการกะระทำ อันนี้ใจสามารถเลือกทำได้ใจจะทำบาปก็ได้ใจจะทำบุญก็ได้ทีนี้ปัญหาที่ทำามถึงถึงเลือกทำบาปกัน่็ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำบาปนี้ไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็อาจจะไม่เชื่อเสียด้วยซ้ำไปว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วทำไมยังไปทาบาปอยู่ สาก็เพราะว่าใจของสารโลกทั้งหมดที่มาเวียนว่ายตายเกิดนี้ยังถูกอิทธิพลของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชากิเลสตัณหาก็คือความโลภความอยากหาความสุขจากสิ่งาต่างๆที่มีอยู่ในใจพบนี่ อ, อยากหาความสุขจากกามก็ไปเกิดในกามมาพบอยากหาความสุขจากรูปฌานก็ไปเกิดในรูปฌานในรูปภพอยากจะหาความสุขจากรูปฌาน พอได้อรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพปัญหาที่ไปเกิดกับภพบเหล่านี้ก็คือเป็นภพมันเป็นภพที่ไม่เที่ยงแท้แน่ไม่ไม่เป็นภพที่เที่ยงแท้ที่ถาวรเป็นภพที่อยู่ได้ชั่วคราวได้ไปเกิดแล้วแล้วทักวันหนึ่งก็ต้องแก่เจ็บตายไปการเกิดแต่ละครั้งก็จะพบกับความทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะมีการพัดผ่าจากกันแต่สัตว์โลกที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกินรส โดยที่ไม่รู้ว่าการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้นั้นจะต้องจบลงด้วยความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากไปหมดไปเวลาหมดไปจากไปก็ต้องทำให้จิตใจเศร้าโศากเสียใจ <S <S แล้วก็เครื่องมือก็คือร่างกายก็เป็นของชั่วคราวได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตาย ช่วงที่น่างกายแก่เจ็บตายก็จะทําให้ใจทุกข์อีกอักอ น, นี้แล้วทําไมถึงเลือกทําบาปกันก็เพราะว่าความโลภความอยากนี้ถ้ามีความรุนแรงมากๆนี่มันจะบีบคั้นจิตใจถ้าไม่สามารถทําตามความโลภความอยากโดยที่ไม่ทําบาปได้ก็มักจะไปหาวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่ง่ายกว่าก็คือวิธีการทําบาป จึอยากจะมีเงินมีทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของอะไรต่างๆแต่ทํางานได้เงินเดือนน้อยยากกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันแสนยากพอมีคนมาชวนให้ไปทําบาปไปช่าโกงไปรักทรัพย์วิธีใดวิธีหนึ่งก็อาจจะยินดีที่จะทาเพราะจะได้เงินมาได้ง่ายได้เร็วเพราะจะได้มาบรรเทาความเครียดที่เกิดจากความอยาก อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากไปที่นั่นอยากมาที่นี่แต่พอไม่ได้ไปมันก็จะทำให้ใจเศร้าส้อยงอยเหงาให้ใจเครียดขึ้นมาก็<ม>ลเลยต้องไปทำบาปกันเพื่อจะได้เอาเงินทองนี้มาใช้ระบายความเครียดระบายความอยากต่างๆนี่ก็คือสาเหตุของผู้ที่อาจจะไปทำบาปกันได้ซะแล้วก็ไม่มีใครสั่งสอนด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเวลามาเกิดมาเกิดกับครอบครัวไหนถ้ามาเกิดกับครอบครัวที่มีปัญญาที่รู้จักเรื่องกฎแห่งกรรมนะรู้จักเรื่องการทาบุญเรื่องทาบาตรรู้ว่าการทาบุญเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจหรือว่าการทาบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจนะก็จะคอยสอนลูกหลานให้ทาบุญไม่ให้ทาบาตถ้ามีการคอยสั่งสอนตั้งแต่เด็กขึ้นมา เด็กที่ไม่รู้อิโนวเน่ไม่รู้อะไรก็จะได้เรียนรู้จากบิดามารดาแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการกระทาบาปได้แล้วยิ่งถ้าไปได้อยู่กับครอบครัวของบิดามารดาที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาที่พาให้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆพาให้ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ รู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้เรื่องกฎแห่งตายรักอย่างละเอียดสั่งสอนให้เข้าใจเรื่องของสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยว่าความสุขต่างๆที่ใจอยากได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนเป็นความทุกข์เป็นเพราะเป็นความสุขแบบเชื่อคราวจะต้องเจอกับความทุกข์ในบ้านปลาย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ร่างกายเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บเข้าสู่ความตายถ้าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์แบบนี้ทางศาสนาก็มีทางออกก็คือให้ไปปฏิบัติบําเพ็ญจิตตภาวนาไปขัดเกลีวจิตใจไปชําระกิเลสตัณหาที่มียในใจให้หมดสิ้นไปเพราะกิเลสตัณหานี้เท่านั้นที่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ ความจริงความแก่ของร่างกายไม่ได้ทำให้ใจทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากของใจอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่มันก็เป็นความอยากที่เป็นไปไม่ได้ มันขัดกับกฎของตายลักกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพออยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไปอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงพอมันอยากแบบนี้มันก็ไม่ได้ความดังใจอยากสิ่งที่จะได้ก็คือความทุกข์ความผิดหวังแต่ถ้ามาศึกษามาปฏิ มาปฏิบัติธรรมมาเจริญบำเพ็ญจิตตภาวานาเพื่อมาชำระความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นระจากใจนถ้าสามารถชำระได้ใจผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์จากความโลภโกรธหลงแล้วนี้จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีอาการเจ็บปวดก็เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายจะจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายใจที่ไม่มีความโลภโกร่งนี้ก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันตาย ใจที่ไม่มีความโลภไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะรู้ถึงกพเห็นโทษของการมีร่างกายว่ามันจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ายังไม่สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ยังมีความโลภความอยากอยู่เวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมารขึ้นมาอย่างมากนั่นเองอ น, นี้คือทางออกที่ที่พระพุทธศาสนาได้ได้ได้ค้นพบโดยพระพุทธเจ้าก่อนหน้าที่จะมีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครรู้วิธีการที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความ แก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับการพัดภาากับการสูญเสียของจากสิ่งที่รักที่ชอบไปแต่พอมีพระพุทธเจ้าได้มาศึกษาได้มาคน้คนคว้าหาความจริงในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองแล้วถ้าอยากให้ใจไม่ทุกข์ก็ต้องมาหยุดความอยาก การที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือที่จะมาทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์ก็คือการชำระใจด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาการที่จะบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนผู้ที่จะสนับสนุนให้การบำเพ็ญจิตตะภาวนาการชำระจิตใจเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็คือการมีศีลนั่นเอง การมีศีลของนักบวชก็คือในธรรมะคือการการมีศีลที่ที่จะละเว้นการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไมห่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไมห่หาความสุขจากราบยศสรรเสริญเพราะถ้ายังไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงเกิ่นลดอยู่ก็จะไม่มีเวลามาให้กับการชำระมามาบำเพ็ญจิตใจ มาปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติปัญญาหรือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เพราะถ้ายัางไปมัวมัวไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญอยู่หาใชความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องไปหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินเาทองที่ได้มาไปซื้อความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเวลาที่จะเอามาให้กับการ ชำรา จ, จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เลยแทบจะไม่มีอาจจะมีบ้างก็เฉพาะช่วงอาจจะมีช่วงว่างวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าตอนเย็นแต่การชำนา จ, จ, จิตใจเพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนี้มันไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าต้องการจะทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องใช้เวลา ทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นและผู้ที่จะสามารถที่จะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลที่คอยห้ามไม่ให้ใจไปแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองคือต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้ยังยังเปิดโอกาสให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ เช่นสินข้อสามก็ยังเปิดโอกาสให้ไปหาความสุขจากการร่วมเพศกับคู่ครองของตนได้ร่วมร่วมเพศกับสามีภรรยาของตนได้เพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปร่วมเพศกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของตนนั้นเองเก็ยังไม่ให้ห้ามยังไม่ห้ามยังไม่มีศินข้อหกคอไม่ไม่ได้ห้ามให้รับหาความสุขจากการรับประทานอาหารนื้อดื่มเครื่องดื่มต่างๆ สามารถดืม่มสามารถรับประทานอาหารได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอยากจะหาความสุขจากการกินการดื่มเมืม่อไหร่ก็สามารถทำได้ก็จะหมดเวลาไปกับการหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เวลาที่จะามาชำนะจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา t ี้ก็แทบจะไม่มีเลยถ้าอยากจะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนา ก็จำเป็นจะต้องระงับกิจกรรมทางกามารมณ์ไปให้หมดด้วยการมาถือศีลศีลแปดขึ้นไปศีลแปถ้ามาถือศีลแปดศีลข้อสามนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอ布 ร, รมจริยาคือประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ร่วมหลับนอนไม่ร่วมเพศกับใครเลยแม้กระทั่งสามีหรือภรรยาของตนก็ไม่ร่วมหลับนอนกันไม่เอาไม่เอาไม่ให้เอาเวลานีมาให้กับการร่วมหลับนอน เอาเวลาที่จะไปใช้กับการร่วมเพศนี้ไปทำสมาธิกันไปปฏิบัติไปชำระจิตใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกศีลข้อหกก็คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อเป็นการให้ความสุขกับใจการรับประทานอาหารนี้เพื่อบําบัดความทุกข์ของร่างกาย กำจัดความหิวที่เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายขาดอาหาร<ม>ก็ไม่จาเป็นจะต้องกินทั้งวันทั้งคืนกินชั่วเที่ยงวันก็พอจากเช้าถึงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงต่อการบําบัดความหิวของร่างกายได้<ม>หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับการไปบําเพ็ญจิตตภาวนานั่นเอง<ม><ม>แล้วก็มาห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากกาน ดูมหรสพบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงเปิดโทรศัพท์มือถือดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะดูรูปดูรูปกับเสียงแล้วมันก็เกิดอารมณ์เพลิดเพลินขึ้นมาทำให้เกิดมีความสุขแต่จะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการมาชาระใจให้สะอาด่อยสุด<ม>ก็ต้องละเว้นการหาความสุขจากมหสัสพบันเทงิง<ม>การไปตามสถานบันเทงิง<ม>ไปเที่ยวตามสถานบันเทงิงต่างๆแล้วก็ละละการ งดเว้นจากการหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องทําเผ้าทําผมไม่ต้องใส่เสื้อผ้าพรินที่วิจิตรพิสดารอาบน้ำอบาบผาอาบน้ําอาบผาชำระร่างกายให้สะอาดก็พอวีเเผ้ววีผมแบบเรียบง่ายใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายนี้ก็พอเพียงคนระับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเอาเวลามาให้กับการชําระจิตใจ ก็ต้องถือศีข้อ7นี้ในแล้วศีลข้อ8ก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาอันมีค่าไปกับการหลับนอนเพราะการหลับนอนนี้เป็นเพื่อการพักผ่อนร่างกายร่างกายถ้าได้พักผ่อนสีหชั่วโมงต่อคืนหนึ่งก็จะพอเพียง ถ้าอยากจะให้นอนไม่มากให้พอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายก็ให้นอนบนพื้นแข็งแข็งบนที่นอนที่ไม่ไมนุ่มไม่มีฟูกหนาหนาไม่นอนบนที่นอนที่สาํารานที่มโหรานให้นอนแบบเรียบง่ายนอนกับที่นอนที่มีพื้นแข็งแข็งปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือก็พอ ถ้านอนบนที่นอนแบบนี้ร่างกายแบบเวลาเห่อเหนื่อยม่วงนอนก็จะหลับได้แล้วจะพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆนะบนเตียงที่สบายเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันสบายอันนี้ก็จะทําให้นอนมากเกินไป จะทำให้สูญเสียเวลามีค่าที่จะมาใช้กับการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ผู้ที่ต้องการที่มาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อกาจัดความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจที่เป็นตัวที่พาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็จําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันนอกจากถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาสถานที่ที่สงบสงบัดวิเวก ที่จะไม่มีอะไรมาคอยลบกวนใจถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีแสงมีเสียงมีสีมีรูปกลิ่นเสียงรถอยู่ใกล้เวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรถมันก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็จะทำให้การทาใจให้สงบนี้ทํ ท, ทได้ยากผู้ที่ต้องการที่จะทําใจให้สงบจึงต้องไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกใจจะวิเวกใจจะสงบได้ก็ต้องกายต้องวิเวกก่อน กายก็คือไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เขานิยมไปกันก็ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในอยู่ตามป่าตามเขาเพราะจะเป็นที่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาคอยบครบกวนจิตใจมาคอยยั่วยวนจิตใจให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอาเกิดการอารมณ์เกิดการ ม, มากขันหาเกิดวามอยากแล้ว การที่จะทำใจให้สงบนี้จะรู้สึกยากะจะรู้สึกทรมานบางคนนี้ทนต่อต่ออารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ก็ต้องไปทำตามอารมณ์พออยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงมากๆขึ้นมาก็อาจจะต้องต้องงดงดการถือศีลไปอยากจะกินอาหารขึ้นมาได้ได้กินอาหารนึกถึงอาหารขึ้นมาก็เกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมา ก็แทนที่จะไ่นั่งสมาธิก็กลับไปเสพการต่อไปดัง mm hmm. นั้นต้องไปอยู่ที่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมายั่วใจ ย, วยั่วยวนกวนใจ mm hmm. ผู้ปฏิบัตินี้นอกจากการถือศีลแปแล้ว mm hmm. คือต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวก mm hmm. ที่จะเอื้อต่อการทำใจให้สงบ แล้วนอกจากนั้นถ้าไปอยู่ในที่ที่ต้องอาจจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆคนนี้ก็ให้มีสติคืออยากพูดคุยกันอยากคุกคีกันถ้ามีความจาเป็นจะต้องมาทำกิจก็ทำกันต่างฝ่ายก็มีสติอยู่การทำกิจของตนเมื่อเสร็จกิจแล้วก็แยกกลับไปอยู่ที่พักของตนถ้าเป็นสถานที่ที่วิเวกที่ที่มีไว้สำหรับการภาวนานี้นักปฏิบัติเขาจะให้อยู่แยกกัน อยู่อยู่คนละที่กันให้อยู่กันตามลําพังเพราะถ้าอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเดี๋ยวก็จะอดที่จะไปคุกคีกันไม่ได้อดที่จะไปคุยกแกลงเหงาไม่ได้เพราะบางทีเวลาอยู่คนเดียวมันจะรู้สึกเหงาขึ้นมาก็เลยอาจจะอยากจะไปคุยกับคนที่อยู่ใกล้ก็ได้ถ้าไปอยู่สถานที่ปฏิบัติที่มิเวกแล้วนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปคุกคีกันอย่าไปสนทนากันอย่าไปทํากิจกรรมร่วมกัน แยกกันอยู่แยกกันปฏิบัติต้องมีศีลถือศีลแปดในสารที่ทวีเวกต้องไม่คุกคีกันแล้วนอกจากนั้นก็ต้องมีสติคอยกำกับใจควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติการที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบที่เรียกว่าบำเพ็ญจิตต ภ, ภาวนาสมถภาวนานี้ สมถะภาวนานี้คือการทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นพลังของจิตใจเป็นอาหารของจิตใจผู้ที่จะภาวนาเพื่อชำะจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีกำลังถึงจะสู้กับกิเลสได้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจึงจำเป็นต้องบำเพ็ญสมถะภาวนาก่อนคือทําจิตใจให้สงบก่อน การจะทำให้จิตใจให้สงบได้นี่จำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้กำกับใจใจจะเป็นใจจะเป็นสมาธิใจจะนิ่งสงบได้ใจต้องหยุดคิดถ้าใจไม่หยุดคิดนี่นัน่งสมาธิไปเท่าหลายปฏิบัติไปเท่าหลายใจก็จะไม่มีวันเข้าสมาธิได้เมื่อใจไม่เข้าสมาธิใจก็จะไม่มีพลังไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขที่จะ ต่อสู้กับความหิวความอยากของกิเลสตัณหาได้ดังั้นการที่จะทําให้ใจสงบได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีสติสตินี้จะเป็นตัวที่จะคอยให้หยุดความคิดต่างๆเพื่อให้ใจหยุดได้อย่างเต็มที่ให้เข้าสู่สมาธิได้อย่าการฝึกเบื้องต้นของการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็คือการฝึกสตินี่จึงจําเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย วิธีที่จเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือการใช้พุทธโธใช้พุทธานุสติคือรเลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้เราพอเลื่ตาขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปพยายามทำไปทั้งวันถ้าเราพุทธโธไปเรื่อยๆความคิดก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดพุทธโธเมื่อไหร่ความคิดมันก็จะไหลามาเหมือนกับน้าก๊อกเลย ไหลามาแบบไม่หยุดเลยถ้าเราต้องการจะหยุดน้ําำคักระก็ต้องปิดก๊อกสตินี้เป็นตัวเหมือนที่จะมาปิดก๊อกปิดความคิดที่จะคอยไหลามาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธพุโทพโธกันไว้ความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามลําดับใช้พุโทโธได้ตลอดทั้งวันเลยไม่ว่าเรากําลังจะทาอะไรถ้าเราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเราไม่มีความจาเป็นจะต้องคิด เ, เรื่องอะไรมาก ไม่มีงานต้องทำงานที่เราต้องทำในขณะที่เราอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือการหยุดความคิดนี่การมีบริกรรมพุทธโธนี่คืองานของผู้ปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งของงานงานงานคืออะไรงานหยุดความคิดนี่งานทำใจให้สงบงานทำใจให้เป็นสมาธิก็ต้องใช้กรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งเช่นพุทธานุสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่าง ถ้าเราบริการพูดโธพูโทโธนี้แสดงว่าเรากําลังทํางานอยู่ไม่ใช่ว่าเราตกงานหรือไม่มีงานทําเรากําลังทํางานอยู่แต่เป็นเป็นงานทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นงานทางด้านร่างกายเหมือนกับเหมือนกับทํานู่นทนํานี่เหมือนกับทําขนมทํากับข้าวหรือทําอะไรอันนั้นเป็นงานของทางร่างกายแต่งานที่เราต้องทําการเพื่อมมา เพื่อมาทำใจให้สงบเพื่อเราจะได้ใช้ความสงบนี้ต่อสู้กับความอยากกำจัดความอยากต่อไปเราต้องทำงานกรรมฐานกรรมฐานก็คือให้มีสติอยู่กับกรรมฐานองใดองหนึ่งถ้าอยู่กับพุทโธเราก็เรียกว่าอยู่กับพุทธานุสติหรือถ้าเราจะใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของงานก็ได้กายคตาสติก็ให้เรามีสติอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายของเราทุกิริยาบุ คอยเฝ้าดูดูร่างกายเหมือนนักโทษคอยเฝ้าดูอย่าให้มันคลาดไปจากสายตาของเราให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารทําอะไรก็ให้ใจนี้คอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทํางานกรรมฐานอีกอย่างที่เรียกว่ากายกตาสติ เราสามารถเลือกใช้ได้สองอย่างนี้พุทธานุสติก็เรารูกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ก็ดูไปเรียกว่ากายกาตาสติถ้าเรามีงานทําแล้วใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาทำนั่งกายให้นิ่งก่อนทําไมเราต้องมานั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่ การที่จะทําใจให้นิ่งเป็นสมาธินี้ยังทําไม่ได้เพราะว่าใจยังต้องทํางานยังต้องคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวยอยู่นั่นเองถ้าเราต้องการให้ใจหยุดทํางานเราก็ต้องให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวพอร่างกายนั่งอยู่เฉยไม่มีการเคลื่อนไหวใจก็ไม่ต้องมาคอยกํากับมาคอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรไ ม, ไม่ต้องมาสั่งให้เดินไม่ต้องมาสั่งให้ยืนให้นั่งให้ทําอะไรต่างๆ ใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้ถ้ามีสติคอยกำกับอี ก, อกชั้นหนึ่งพอนั่งเฉยๆแล้วก็จะใช้คำาบริการพุโทโธก็พุโทโธไปเลยอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นการเจริญสติพอมานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวของร่างกายมาดูลมหายใจแทน ดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่ปลายจมูกแทนลมหายใจเข้าก็รู้ตรงจุดที่สัมผัสเข้าออกคือปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องบังคับลมให้หายใจสั้นเนื้อหายใจยาวให้ดูตามความเป็นจริงถ้าลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธแทนไป บางคนก็อาจจะอยากจะใช้ทั้งสองอย่างกำกับก็ได้แล้วแต่จริตแล้วแต่ความพอใจบางคนก็ใช้พุทธเข้าโทรออกหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทรอย่างนี้ก็ได้ถ้าถูกจริตถ้าทำแล้วทาให้ใจสงบได้ก็ใช้ได้ถ้าถ้าใช้ไม่ได้ไม่ถูกจริตกับเราก็อยากไปใช้ใช้พุทธโทรอย่างเดียวหรือดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือบางท่าน อย่างที่อย่าอดที่อยาคิดไม่ได้ก็ให้มาคิดถึงอาการสามสิบสองก็ได้ให้คิดถึงผมขนและฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกคิดกับถึงอาการสาสสองเหล่านี้ใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไปสักระยะหนึ่งแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งถ้ายังไม่นิ่งเต็มที่เราก็หันมาดูลมหายใจต่อในที่สุดเราต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างใดอย่างหนึง่ง อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแต่ตอนเริ่มต้นนี้ใจเรายังอาจจะฟุ้งอยู่ยังไม่ยอมอยู่เฉยๆกับเรื่องเดียวก็วให้มันอยู่กับอาการ32ก็ได้หรือบางคนจะใช้การสวดบทอิติปิโสไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก่อนเพื่อทําใจให้คลายจากความฟุ้งซ่านให้ใจสงบลงในระดับที่พอที่จะมาดูลมหายใจได้หรือภาวนาพุโทโธพุธโทโธได้ นี่คือวิธีการที่จะทำให้ใจในที่สุดเข้าสู่ความสงบได้พอใจนิ่งสงบใจก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่จะต่อเลี้ยงจิตใจของเราให้อยู่อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปแสวางหาความสุขจากสิ่งต่างๆต่อไป พอเรามีความสุขแบบนี้แล้วนะ ห, ลหลังจากที่เราฝึกสมาธิจนชํานาญแล้วสามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาเวลาต้องการจะให้ใจสงบให้ใจมีความสุขล้วก็เข้าไปได้เพาเวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่มีสติคอยรักษาไว้นะความสงบก็จะค่อยหายไปได้พอหายไปถ้าเราอยากจะให้มันสงบเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ดังเบืนะ้องตอนนี้เราฝึกสมาธิให้ชนานาญก่อน ฝึกเข้าออกสมาธิให้ชำนาญเวลาเข้าสมาธิก็ให้สงบอยู่นานๆไปก่อนจนเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราถึงจะมาสู่ขั้นที่สองของการภาวนาของการชำระจิตใจคือการกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจที่เป็นตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆต่อไป การที่เราเข้าสมาธินี้เราหยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาใจสงบความอยากก็ไม่ทำงานแต่พอเราออกจากสมาธิมาปับ๊บพอเราเริ่มมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ความอยากนี้มันฉุดรากให้เราไปทำตามความอยากเราก็ต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีก็เสียไปก็ได้พอได้สิ่งที่เรารักแล้วต้องเสียสิ่งที่รักไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช<ม>่นได้เงินได้ทองมาไม่กี่วันหายไปพอเงินหายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันท<ม>ีดังนั้นอย่าไปหาสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้เราทุกข์ใจสู่วกลับมาหามาอยู่กับความความสงบ ด้วยการหยุดความอยากดีกว่าอันนี้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็เหมือนกับเราเข้าสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะเราจะได้ผลคือความสงบเหมือนกับตอนที่ใจอยู่ในสมาธินั่นเองอันนี้ก็คือท่านของวิปัสสนาคือท่านปัญญาให้ที่เราจะมาใช้ในการสอนใจไม่ให้ไปอยากได้อะไรต่างๆอย่าไปอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลภภิ่นรสโพะอย่าไปอยากได้ความสุขจากรูปจากลาภยศสรรเสริญ อย่าไปอยากแม้กระทั่งความสุขที่จะได้จากความสงบของสมาธิต่อไปเราก็ต้องหยุดตอนต้นเราให้หยุดความอยากที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดก่อนอยากจะไ้กินไปดื่มถ้ายังไม่ถึงเวลากินเวลาดื่มก็ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มนอกจากว่าถ้า ถ้าเป็นน้ําเปล่าถ้าหิวน้ําก็ดื่มได้แต่ถ้าเป็นน้ําที่มีรูปเสียงมีกลิ่นมีสีมีรสนี่ก็ไม่ควรที่จะไปดื่มเพราะมันเป็นการเสพการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของน้ํานั่นเอง mm. เราต้องกำจัดการ ม, มาตันหาให้ได้อย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดเถอะพะให้มองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลามันเวลามันไม่มีมันจากเราไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะ เศร้าก็อย่าไปเสพมันอย่าไปอยากเสพมันพอเราไม่มีความอยากเสพมาแล้วใจเราก็จะนิ่งสงบเหมือนได้เข้าสมาธินี่คือวิธีกาจัดความอยากอย่างถาวรกาจัดด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพอยากสัมผัสด้วยเป็นใจรักเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรก็มองให้เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่กล้าจะอยากได้ต่อไป ต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเรามันก็จะหายไปหมดพอใจหายความอยากหายไปหมดใจเราก็จะสงบนิ่งมีความสุขเหมือนกับเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเพราะตัวที่มาทําลายความสุขความสงบของใจคือความอยากนั้นไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปได้ถูกปัญญากําจัดไปหมดด้วยการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากได้ mm hmm. เห็นทุกสิ่งทุกอย่างราบยศสรรเสริญว่าเป็นไตรลักษณ์ เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระว่าเป็นไตรลักษณ์แม้ต่อไปหลังจากที่เราละลาบยศฉลเสริญละรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ต้องมาละความสุขของสมาธิสมาธิก็อยาบไปหยากเข้าไม่เข้าสมาธิเราก็มีความสุขได้ถ้าเราหยุดความอยากที่จะเข้าสมาธิต่อไปเราก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆใจก็จะมีความสุขมีความสงบโดยธรรมชาติของมันตัวที่มาทําให้ใจไม่สงบไม่มีความสุขก็คือความอยาก ตัวที่มาทําให้เกิดความอยากก็คือความหลงความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ภายนอกใจแต่ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในใจอยู่ในใจที่ไม่มีความอยากความรู้วันนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าส่งคนพบความรู้อันนี้แล้วก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่ยังไม่รู้ให้รู้กันให้มาละงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการฝึกศีลสมาธิและปัญญานี่ นี่ก็คือวิธีที่เราจะสามารถใช้กฎแห่งกฎแห่งกรรมมาทําให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราได้คือทําบุญทํากุศลนั่นเองอย่าไปทําบาปทํากรรมทําบาปทํากรรมแล้วจะทําให้เราต้องไปเกิดนยัยบาเยวน่วยในทุกขติให้เรามาทําบุญทํากุศลด้วยการทําละกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ใจของเราก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดความสงบของใจตลอดนี้เรียกว่าพานิพานนี่อันนี้ก็คือเรื่องของกฎกติกาของชีวิตของพวกเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอนอยถ า, าวาเลวะหาปูราปาริกตูเรนเตสาคะ เอวเมวะยิโตทินังเปตานังอุปการปติยิชิทางปชิทังสุหังคิดเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสางกปาจันโทปนาละโสยธามณิโชติละโสยธะสัพพิติโยวิวัชฌนตุสัพพโลกวินาศตุ มาเตผวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวะธนสีลิศานิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานเตอายุวันโอสุขังพาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 369 YouTube Dr. V 55ดวหิหวิทยุออนไลน์8 c l u b h o u s e 2ผู้รับฟังหน้ากุฏิ264ริ26 4, รวม 1,165 ท่านเจ้าค่ะมีคำถามไหม Please speak close to the microphone อ่าที่หลวงพ่อ My my family is from Canada, and this is a question from my daughter, and she's here with me. Uh, she is a bit shy, so I'm asking for her. Uh, she's uh, 13 years old. She has cancer since she was nine, and she's still fighting for cancer now. She had many operation and treatment, s which made her body weak and often has a lot of pain. So her question is, why this is happened to me? And I'm a good person. I barely start my life. Why life is so unfair and why so much suffering to me? Uh, one time, I try to use the concept of karma to explain to her. And she said, "Okay, I get it. Um, I was a bad person, so I don't deserve a good life." Uh, dear Longpo, I think I don't have the wisdom to answer her. Please help. Well, life is. The Buddha said, "Life is anicca. It's not certain. It's not fixed. It varies from person to person." Due to the past karma that we have done, if we did bad karma in the past, we would have to reap the fruits of our bad karma in this lifetime. If we did good karma, we will reap the benefit of the good karma that we uh, we did. So we cannot go back and erase the past. We cannot change the past, but we can still be happy with the, what we get. By just accepting things as they are, don't try to reject when you don't like something, because trying to reject will cost you more suffering, more stress and anxiety. But you you can accept that this is the way things are, and this is what you are given, and just accept it. Then there will be no stress, and your mind can be peaceful and calm and happy. Maybe happier than somebody who has a, a healthy body, because people have healthy body doesn't mean that they are happy inside the mind. With a healthy body, they want to have more more things, they want to do more things and get more things. And when they when they could not get what they wanted, they can become just as unhappy as someone who's sick. Yeah. So it's not whether your body is good or bad; it's how you. Make your mind happy or sad, and this you can do regardless of the condition of your body. Yeah. So the body, the Buddha say, you, if you want to be happy inside, happy with your mind, try to use wisdom, try to accept the truth that life is not certain. Life is vary from person to person. Some person have a longer life. Some part, some people live a shorter life. You can make you feel better if you look at somebody who is worse than you are. s o m e o someone who is blind, someone who is crippled, someone who is more sick than you are, have to be l a i d in bed, for instance. If you can look at these things, then you won't feel too bad about your situation, and then you can accept the truth of yours. Your life, you are what you are, but you can be happy regardless of what you are, if you know how to, to let go of your attachment, let go of your cravings or desire. The problem that causes us to be unhappy is our desire. We want something more than what we have, and when we could not get what we want, we become sad, regardless of whether our body is good or not good. Whether we are rich or poor, we could be sad, and this sadness is caused by our desire for things. So try not to have any desire. Try to take things as as they come. Be happy with what you have. Be thankful for what you get. Then you can be happy. And look at it, everybody, regardless how well or sick we are. One day we are going to be at the same point, same place. At this, we will go to the cemetery. It's just a matter of time, sooner or later. That's all. Okay. If you can think like this, you can release the the, the pressure in your in your mind and make you feel better. Yeah. You can be happy right now. Just stop your desire. And the way to do it is learn to how to meditate. Just sit down, close your eyes, and watch your breath. Keep watching your breath. Don't let your mind think about anything. When you don't think, then you don't have any desire for things, and when you don't have desire, your mind can become peaceful and happy. Okay. Right. Anything else? Mm -hmm. you, you want to ask any further question? So meditate. Be be happy that you can still walk, you can still run, you can do still do things. You know. Because we we don't know when we're g o n n o die. I might die tomorrow. I might go before you. You know, so maybe your parents might go before you, even though they're healthy right now. But who can say when? We, how long we're g o n n o live? Nobody can guarantee that. So don't just try to stay in the present and be happy in the present. Don't worry about the future. Don't worry about the past. The past you could not go back. You cannot erase the past or or change the past. Yeah. And the, and the future hasn't come yet. What you've got is right now in the present. So try to make the best of it by keeping your mind happy by not having any desire. Just take things as they come. Okay. Ah, time to bai. คำถามฝากถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ้าคะ่ะนั่งสมาธิจิตสงบลมหายใจหายไปแล้วจิตอยู่กับตัวรู้ร่างกายหายแต่มีความนึกคิดรู้ว่ายังมีความนึกคิดอยู่แบบนี้โยมจะต้องทําอย่างไรกับสภาวะที่เกิดขึ้นเจ้าคะ่ะก็หยุดคิดให้ใจว่างให้เต็มที่พอมันจะคิดก็หยุดมัน หากระหว่างการปฏิบัติกรรมาฐานมีความคิดที่เข้ามาคือปัญหาการงานที่ต้องขบคิดแต่สุดท้ายบางความคิดก็จบลงที่อริยสัจ4ี่และตรัยลักษ์เช่นนี้จะถือว่าเป็นความคิดที่เป็นการปฏิบัติได้หรือไม่เจ้าคะถ้าดับความทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาถ้าใจไม่สบายแล้วใช้ตรัยลักษ์หรือใช้อริยสัจสี่มาสอนใจทําให้ความทุกข์ที่มียู่ในใจหายไปก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติปัญญา พระที่บวชแต่เสียสติไปแล้วยังสามารถบรรลุธรรมได้แบบองค์คุรีมานใช่ไหมครับเสียสติก็ต้องสติขึ้นมาก่อนถ้าไม่มี ส, สติถ้าเสียสติเพราะเมาเหล้าเพราะหายเมาก็กลับมาปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเสียสติแบบเอากลับมาไม่ได้มันก็ยังบรรลุธรรมไม่ได้การจะบรรลุธรรมได้ต้องมี ส, สติสมัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ก็ต้องรอให้หมดเวรหมดกรรมไปก่อนให้เหตุที่ทำให้สตินั้นหายไปให้มันหมดไปก่อนแล้วสติก็จะค่อยๆกลับคืนมาแล้วพอมีสติแล้วถ้ามีความอยากจะปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติได้ เวลานั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธพอเริ่มหลับตานึกถึงพุทโธมันจะไปผูกกับลมหายใจแบบนี้ทุกครั้งแล้วพอนั่งได้สักพักจะรู้สึกเหนื่อยพยายามให้แยกจากกันไม่ผูกกับลมหายใจแต่พอเริ่มหลับตา ก, ก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งโยมจะแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะก็หยุดพุทโธดูแต่ลมอย่างเดียวแทนไม่ต้องท่องพุทโธดูเฉยๆถ้าที่มันเหนื่อยเพราะมันไปท่องพุทโธถ้าดูเฉยๆมันไม่เหนื่อยหรอก งั้นก็ลังหยุดพุโทโธแล้วดูแต่ลมดูที่ปลายจมูกหรือดูที่หน้าท้องก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ยุบหนอ่อพองหนอ่อลมเข้าก็ท้องก็พองขึ้นมาลมออกท้องก็ยุบลงไปถ้าดูที่ปลายจมูกก็ให้ดูเฉยๆให้รู้ว่าลมเข้าลมออกท่านั้นเองไม่ต้องพุโทโธก็ได้คาถามจากทาง youtube เจ้าค่ะ ลูกเปิดร้านเล็กๆพอดำรงอยู่ไม่รบกวนพ่อแม่หรือใครบางวันลูกก็ขายของไม่ได้เลยสักบาดเดียวแต่จิตของลูกไม่เป็นทุกข์เลยเรื่องภายนอกทำให้จิตใจลูกทุกน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากเจ้าค่ะไม่มีแฟนไม่มีเงินลูกก็ไม่ทุกข์ป่วยเล็กน้อยลูกก็ปล่อยผ่านแบบนี้ลูกเดินมาถูกทางต่อการปฏิบัติจากจิตใจแล้วถูกหมเจ้าคะขอมถูกต้องถูกต้องพระ ความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ภายในใจของเราเพาะเราสามารถทำใจให้สงบระงับความอยากต่างๆได้หรือไม่ถ้าเราระงับความอยากต่างๆได้ทำใจให้สงบได้เราก็มีความสุขได้หรือพระพุทธเจ้าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยแต่ท่านมีความสุขแบบปรมังสุขขังเพราะท่านสามารถควบคุมความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านได้ใจของท่านก็เลยมีความสุข ็ตาาามทที่เปเปนจ้าชายิ ธ, ธพระอระหันต์นี้ไม่จําเป็นว่าต้องรอให้ท่านเสียชีวิตแล้วถึงประกาศว่าท่านไปนิพพานแต่ท่านมีนิพพานอยู่ในใจแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็พอเป็นพระอรหันต์มันก็ถึงนิพพานเนพอกิเลสหมดจากใจก็เป็นพระอระหันต์พระอระหันต์ก็อยู่ในนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอระหรันต์เหมืนกัน กระผมไม่เข้าใจคําว่าผดทพะและธรรมารมณ์กลาบขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความด้วยครับผดทพะก็สิ่งที่มากระทบกับร่างกายเช่นอากาศร้อนอากาศเย็นของแข็งของนุ่มนี่เรียกว่าเป็นผดทพะเวลามากระทบกับร่างกายก็จะทําให้เกิดเวทนาบางทีก็สุขเวทนาบางทีก็ทุกขเวทนาบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาส่วนธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่อยู่ในใจเราไง อารมณ์สงบอารมณ์วุ่นวายอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงนี่เรียกว่าธรรมอารมณ์อนัตตาเกิดจากอะไรครับอนัตตาไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดมันเป็นธรรมชาติมันเป็นคุณสมบัติของธรรมชาติธรรมชาติไม่มีตัวตนปัจจุบนันผมต้องทํางานและดูแลผู้สูงอายุไปด้วยผมต้องวางใจอย่างไรจึงจะไม่เครียดครับให้มีความเมตตา ให้ให้มีความเมตตาสงสารผู้ที่เขาทุกข์ยากลาบากเรามาช่วยเหลือเขาให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากลาบากให้ความสุขกับเขาแล้วเราจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์มากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับเสีอีกเพราะผู้ที่มีความเมตตานี้จะอยู่เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษนะ งั้นให้เราฝึกใช้ความเมตตาคือความปรารถนาดีให้ให้ความสุขแก่ผู้อย่าไปทําร้ายผู้อย่าไปทรมานผู้ตามใจเขาช่วยเขาเขาขาดอะไรเราพอที่จะสนับสนุนให้เขาได้สิ่งที่เขาขาดแคลนได้ก็ทําไปกราบขอความรู้เรื่องปุญญาพิสังขารมานหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะอันนี้ลองกด Google ดูดีกว่าวเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เวลานั่งสมาธิจะมีความรู้สึกสองอย่างพร้อมๆกันอย่างแรกคือจะเห็นความคิดคิดนูน่นคิดนี่และอย่างที่สองรู้สึกเย็นที่บริบรเวณอกโยมจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงความสงบเจ้าคะอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้อยู่กับการภาวนาถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อย ถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุทโธความรู้สึกอย่างอื่นปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเพราะว่าใจยังไม่สงบยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการภาวนา <c oughs> การภาวนาเพื่อทําให้ใจนิ่งให้สงบให้ใจว่างถ้ายังมีอะไรปรากฏอยู่แสดงว่าใจยังไม่นิ่งยังไม่ว่างก็ต้องภาวนาต่อไปต้องดูลมต่อไปหรือพุทโธต่อไปอนนไ โอเคมีใครอยากจะถามอะไรมถามได้นะอยากจะถามยง f u r t h e question okay, uh, This question is uh, This question is uh, from my friend. She want to know how to develop meta in life and reduce self in life. You have to be kind to other people. You have to be forgiving. When somebody did something and m a d e you angry, you have to forgive them. Don't retaliate. Don't don't cause other people pain or harm other people. This is the way to develop metta. Not by chanting. Chanting doesn't do doesn't develop metta. Chanting just remind you how to do it. But to have metta, you have to actually do it. When you see someone, say hi to them. Instead of frown, you smile at them. Thailand is a land of smile, right? Because Thai people have metta. They practice metta from the time they were born. They yeah? have. They were taught to be metta, be kind to other people, be friendly to other people. If they have something they can share, they share with other people. This is the way to have metta or loving kindness. And reduce self in life by giving you're reducing yourself. Okay. By taking you're you're increasing yourself. Taking you want more, more for who, more for yourself, right? By okay. giving you're lessening yourself because you're giving away things that belong to you. So there's less self when you the more you give, the less self you have. Okay, thank okay. you. Give up all your possession. Give up all your money. Then there's no self. Thank you ยังไม่ไดคำตอบอะไรมาเคมีใครอยากจะถามอีกไหมใกล้จะหมดเวลาแนละ้วถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด